ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องกะโหลกนี้ไปเกิดที่ไหนพระวังคีสะเทระโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่3พฤษภาคม2547ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณบัดนี้ เอาวันนี้ก็เอาประวัติพระอาหารหันต์รูปหนึ่งมาอ่านให้พวกเราฟังเราอาจจะได้ยินบ่อยอะนะเพราะท่านอาจจะพูดถึงพระวังคีสะแต่เราจะได้ยินอยู่มุมเดียวอะส่วนใหญ่บุมที่เรื่องเคาะกระโหลกสีสานนะแต่จริงๆแล้วท่านมีอะไรมากกว่านั้นอีกเยอะอาก็ลองฟังประวัติท่านดูแล้วกัน อดีตชาติของพระวังคีสะเคยเกิดในสมัยของพระพุทธเจ้าพระนามว่าปทุมุตระเติบโตอยู่ในตระกูลผู้มั่งคั่นแห่งนครหังสวัสดีอันนี้อันนี้หมายถึงว่าโบราณ น, นะหมายถึงยังไม่ใช่เป็นพระวังคีสะแต่หมายถึงอดีตชาติของท่านวันหนึ่งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น ได้ฟังธรรมเทศนาแล้วเกิดปิติอันประเสริฐยิ่งยินดีในคุณของภาษาวกที่พระพุทธเจ้าทรงแต่งตั้งให้เป็นผู้เลิศกว่าภิกษุที่มีปฏิพาน์ตรงนี้เป็นประเด็นสำคัญของพระวังกีสะคือเราเราเคยได้ฟังแต่ว่าท่านมีวิชาเคาะกระโหลกศีรษะคนตายใช่ไหมแล้วก็รู้ว่าตายแล้วจะไปเกิดที่ไหนแต่ จ, จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเป็น เราเรียกว่าอะไรนะอิติอะไรอิติสาวกอะนะเป็นเป็นหมายถึงว่าเป็นสาวกที่มีความเป็นเลิศเป็นยอดในด้านใดด้านหนึ่งที่เป็นที่พระเจ้าเนี่ยท่านทรงแต่งตั้งให้แต่ตอนนี้ที่มาเนี่ยที่มาที่ท่านจะเป็นเลิศในทางด้านของปฏิพานเนี่ยมาจากเนี่ยท่าน หมายถึงอดีตชาติเนี่ยท่านไปพบพระพุทธเจ้านะเกิดในสมัยพระพุทธเจ้าองค์ปทุมุตตระแล้วก็เนี่ยได้เห็นพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นนะเอ่ออะไรแต่งตั้งสาวกให้เป็นเนี่ย ผ, ผู้เลิศกว่าภิกษุที่มีปฏิพานเข้าใจคำว่าปฏิพานไหมไม่ใช่ปฏิญาณนะปฏิพานส่วนใหญ่เขามาจะพูดต่อกับไวพริบ ปฏิพานนี้ก็คือเนี่ยมีสติปัญญามีไหวพริบที่สามารถที่จะกล่าวคำหรือว่ากล่าวโต้ตอบอะไรเงี้ยได้อย่างรวดเร็วฉับพันทันทีเขาเรียกว่าเอ อ, เ อ, อคนนี้ฉลาดคนนี้มีปฏิพานไหวพริบนะเพราะนั้นตอนนี้พู้เจ้าองค์ปทุมุตตระเนี่ยมีแต่งตั้งสาวกรูปหนึ่งว่าโอ้โหรูปนี้ยอดมากในเรื่องของปฏิพาน นะพอพอเนี่ยอดีตชาติของพระวังคีสานี่พอเห็นอย่างนี้เข้าจึงนิมนต์พระพุทธเจ้าพร้อมด้วยหมู่สงฆ์ให้เสวยและฉันพัตาหารนะฉันพัตนะตลอดเจ็ดวันในวันสุดท้ายนั้นได้ถวายผ้าครองแล้วหมอบกราบลงทีพ่พระบาททั้งสองของพระองค์ <c oughs> จากนั้นจึงลุกขึ้นยืนประนมมือ ในที่อันควรด้วยความศรัทธาเบิกบานใจแล้วกล่าวสรรเสริญคุณของพระองค์อย่างมากมายปรารถนาจะเป็นภิกษุผู้เลิศด้วยปฏิพานอย่างนั้นบ้างคือแสดงว่าอดีตชาติของพระวังจีสะเนี่ยก็ก็เป็นคนฉลาดมีไหวพริบมาแล้วเหมือนกันคือคนเราเนี่ยนะจะเขาเรียกว่าเอตะทะคะเนี่ยคือหมายถึงว่าจะมีความยอดเยี่ยม ในด้านใดด้านหนึ่งไม่ใช่อยู่ดีชาตินี้ก็แหมเป็นเลยไม่ใช่อ่ะต้องสะสมมาโอ๊ยไม่รู้ละกี่ชาติต่อกี่ชาติจนกระทั่งจะมีความยอดเยี่ยมในด้านนั้นๆได้นะซึ่งภาษาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยเยอะแยะเลยยอดเยี่ยมด้านโน้นด้านนี้ด้านนั้นพระสิวลีเนี่ยโอ้ยยอดเยี่ยมในเรื่องของอะไรฮะ เ, เรื่องของลาบเรื่องของอะไรชนิดพระพุทธเจ้ายังสู้ไม่ได้เลยนะถ้าท่านไปที่ไหนเนี่ยท่านจะได้ลาบเนี่ยมากยิ่งกว่าอีกยิ่งกว่าภิกษุรูปอื่ น, นเลยเนี่ย <Yeah. S 1> จนพระพุทธเจ้าต้องยกให้เลยยกให้บอกว่าเนี่ยเป็นเอตทัทคะคือยอดเยี่ยมในเรื่องของลาบนะแต่ตอนนี้เนี่ยอดีตชาติของพระวังกีสา เห็นพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆโน้นอะนะแต่งตั้งพระรูปนี้ให้ให้ว่าโอ้โหรูปนี้ยอดมากในเรื่องของปริพานไหวพริบเพราะฉะนั้นก็เลยแบบว่าอยากอยากได้บ้างคนเราเนี่ยถ้าไม่มีพื้นบ้างเลยเนี่ยอย่างเช่นนะเห็นเขาอะไรอะเห็นเ้าร้องเพลงได้เก่งนะพอเราเห็นแบบโอ้โหอยากร้องเก่งอย่างนั้นเลยเนี่ยแต่พูดง่ายว่า หุนไม่ให้คุณไม่ให้แต่ใจรักนะคือประเภทที่เรียกว่าไม่ไม่มีวี่แววเลยนะคือถ้าอย่างเงี้ยบางทีเนี่ยถึงจะอยากยังไงมันก็ยากใช่ไหมเพราะนั้นจริงๆอย่างน้อยๆต้องมีเชื้อมาบ้างละคืออย่างน้อยๆไอคนนี้ก็พอพอที่จะอะไรอะ่ะมีซุ่มเสียงพอใช้ได้กับเขาบ้างนะพอมีแววบ้างอย่างเงี้ยแล้วอยากได้อยากเป็น อันนี้เราหมายถึงว่าถ้าในทางที่ดีนะไม่ไอ้ที่เลวไม่ต้องไปอยากเป็นอนะแต่ทางที่ดีเนี่ยนะถ้าเรามีอย่างเนี้ยมันอยากแนละ้วมันมันถึงจะรู้สึกว่าเออมันเป็นไปได้ไอ้ส่วนส่วนไอ้ที่เราอยากเนี่ยเพราะเราต้องชอบด้วยถูกหมอ่ถ้าไม่ชอบในใน อ, อาชีนั้นหรือในงานนั้นหรือในความสามารถแบบนั้นเนี่ย ถ้าเราไม่มีใจรักไม่มีใจชอบด้วยเลยมันไม่อยากได้หรอกเพราะฉะั้นใจที่อยากเนี่ยมันต้องมีฉันทะอยู่แล้วใช่ไหมอืมมันต้องมีอิทธิบาทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนะ่ะคนที่จะอยากในสิ่งที่ดีสิ่งที่เลิศยอดจะต้องมีเชื้อสะสมมาแล้วอืมถ้าไม่มีมาบอกแล้วไม่สนใจหรอกแล้วก็ไม่อยากเป็นด้วยไม่อยากมีด้วยแล้วก็พูดง่ายว่า ใครก็จะเก่งยังไงก็ช่างเอะเพราะนั้นเนี่ยมันต้องมีใจอยู่แล้วด้วยแล้วก็มีอะไรอ่ะมีขีดความสามารถาบ้างแล้วมันถึงจะเกิดเกิดความรู้สึกอย่างนี้ได้วันอดีตชาติของพระวังคีสะเนี่ยก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกันก็เลยอยากอยากได้เป็นผู้เลิศยอดในด้านปฏิพานไหวพริบเหมือนกันวันก็เลยพูดง่ายๆว่าพอวันสุดท้ายที่ถวายพัด ถวายข้าวของให้พระพุทธเจ้าเสร็จนี่มอบกราบเลยประนมมือเลยแล้วก็หวังที่จะเป็นยอดเยี่ยมในเรื่องปฏิพานบ้างนะก็กล่าวสรเสริญยกย่องพระพุทธเจ้าใหญ่เลยกลาวนี่คนชมไม่เป็นเนี่ยมันไม่ได้เรื่องหรอกนะคนชมไม่เป็ น, นอ่อันนี้จะมีปฏิพานไหวพริบนี่หมายถึงว่า ชมเป็นสามารถพูดได้อย่างไพรเราะพูดได้อย่างชนิดที่เรียกว่าคนฟังแล้วแหมมีไหมบางคนชมแล้วแล้วรู้สึกไม่อยากได้ฟังเลยมีไหมมีใช่ไหมเราจะรู้สึกโอ้โหนี่ชมชมหรือว่าด่าหรือเปล่าบางคนอ่ะนะชมไม่เป็นเพราะนั้นชมเนี่ยมันต้องมีสัมนวนมีลีลารู้ภาษ า, ารู้การใช้คำพูดต่างๆ ใช่สิต้องมีศิลปะสิไม่มีศิลปะชมไปชมมาไม่รู้สิเราจะแย่เอาหรือเปล่าชมไปชมมาแล้วชมจนเกินไปก็เป็นไงไม่น่าเชื่อถือเลยถ้าชมชมคนเนี่ยนะชมไม่เก่งเนี่ยชมเกินไปเนี่ยคนเขากลายเป็นไม่น่าเชื่อถือไม่ต้องเอาคนอื่นนะใครมาชมเราเนี่ยถ้าชมจนเกินไปเนี่ยเรารู้สึกไอ้ไอ้นี่มันจะหวังอะไรสักอย่างหรือเปล่า เริ่มเริ่ ม, เ ร, มเริ่มคิดกับดาราศัสตเลยใช่ไหมเออเริ่มเริ่มรู้สึกว่าเอ๊ะ ม, มันคงจะหวังอะไรเนะ่ะมาชมอะไรจนรู้สึกมากเกินไปละอืถ้าชมเราพอดีพดีมืนรู้สึกภูมิใจนะเอกิเลสยังมีอยู่นะรู้สึกแหมภูมิใจรู้สึกมั่นใจตัวเองอะไรพวกเนี้มากขึ้นแต่ไปสังเกตดูเหอะถ้าใครชมแบบเวอ่อร์ไปหน่อยเนี่ยเผลอๆนะอย่าว่าแต่คนอื่นเลย เรายังรู้สึกมันไส้เลยเพราอันนี้มันชมมากเกินไปแล้วรู้สึกว่าจะกลายเป็นโกหกไปเลยเ อ, อ๊ะมันกลายเป็นโกหกไปแล้วเพราะฉะนั้นมันถึงบอกว่าแม้แต่การยกย่องการชมเชยการสารรเสริญใครเนี่ยมันต้องมีศิลปะ ด, ด้วยถ้าไม่มีศิลปะชมไปแล้วนี่ไม่มีใครเขาอยากได้รับคําชมนั่นหรอกนะตอนนี้นนอา้าวพระวังกีสะนะก็แบบว่าก็ กาชมผู้เจ้าใหญ่เลยแล้วก็ปรารถนาที่จะเป็นผู้เลื่ยอดในความมีปฏิภานพระพุทธองค์ก็ได้ทรงพยากรเขาว่าในอนาคตการเขาจะได้เช่นนั้นสมดังปรารถนาเอาสิคือบอกในอนาคตข้างหน้าจะได้เป็นจริงแต่ตอนนี้ยังตอนนี้ยังแต่อนาคตจะได้แสดงว่าตอนนี้ขีดความสามารถยังไม่ถึง นะต้องสั่งสมไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้ได้รับพยากรณแล้วไม่ใช่คนอื่นพยากรด้วยนี่พระพุทธเจ้าพยากรณยิ่งพยากร์บอกว่าได้แน่นี่เป็นไงถ้าเป็นเราเนี่ยโอ้โหคนที่เราศรัทธาเชื่อถือบอกว่ารับรองเลยเนี่ยคุณสำเร็จแน่เลยเรื่องนี้เป็นไงโอ้โหเชื่อมั่นขึ้นมาเต็มเปี่ยมเลยนะแล้วจะยิ่งอะไรเกิดขึ้นอะไรจะตามมา เออจะยิ่งโอ้โหขยันขวนขวายที่จะต้องให้สําเร็จให้ได้เพราะนั้นบางทีเนี่ยผู้ที่เราเคารพศรัทธาหรือว่าผู้ที่เราพอใจเนี่ยชมเพื่อง่ายชมเราเนี่ยยกย่องเราเนี่ยโอ้โหมีกําลังใจเหลือเฟือเลยนะทําให้แบบว่าบางทีหลายอย่างที่บางทีเราเองคิดว่าเอ้มันจะสําเร็จหรือเปล่าน้อมันจะผ่านหรือเปล่าน้อมันจะอยู่วัดได้นานหรือเปล่าน้อ ปรากฏว่าโอ้โหพอได้ชมอย่างนี้นะมั่นใจเลยว่าอยู่ได้แน่บางทีไปเจออุปสรรคเจอปัญหาอะไรเข้มข้นหนักๆเข้ามาเนี่ยนะมพอนึกถึงธรรมยากร น, นี้อื้มนะอะไรอะเติมพลังได้ทำให้มีไฟในการที่จะอยู่หรือว่าสู้กับอุปสรรคนั้นได้อย่างดีเลยนะอันนี้อันนี้มีผล นะเสแล้วนี้พอพอผู้เจ้าชมอย่างนี้ใช่ไหมก็โอ้โหดีใจใหญ่เลยเขายินดียิ่งนักมีจิตประกอบด้วยเมตตากระทากุศลผลบุญจนตลอดสิ้นอายุขไขคนเราเนี่ยถ้ามีความรู้สึกว่าแหมเหมือนเหมือนคนที่ไปชอบไปให้หมอดูหมอดูเขาก็ชอบหลอกเรื่อยโอ้โหจะโชคดีอย่างนั้นจะโชคดีอย่างนี้ใช่ไหมโอ้ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ เพอเกลับมาอะไรลกลับมาอะไรแบบทาตัวลื่นเลงบันเทิงใหญ่เลยนะสบายสบายใหญ่เลยแต่หมอดูนะมันหมอเดาหมอดูนะไม่ได้รู้อนาคตจริงนะไม่เหมือนผู้เจ้าผู้เจ้านี่ท่านรู้อนาคตจริงเขาเรียกว่ามีอนาคตสัญญานคือสามารถยังรู้หนอนาคตเพราะนั้นที่ท่านตัดมานี่คือความจริง ไม่ใช่เดาแต่หมอดูทั้งหลายเนี่ยนาคือหมอเดาไม่ได้รู้อนาคตเราจริงถ้าเกิดหมอดูคนไหนจะมาดูแลดูให้เราเนี่ยถามเลยว่ารู้อนาคตจริงไหมถ้าไม่รู้จริงคุณไม่ต้องเชื่อไม่รู้ละเขาจะพูดยังไงมาไม่ต้องเชื่อเลยก็มันไม่จริงแล้วคุณจะไปเชื่ออะไรอะ่ะยิ่งคนใจอ่อนเนี่ยเป็นไงถ้าเขาบอกมาไม่ดีก็ ใจเสียง่ายเลยนะเศร้าโศกเสียใจแต่ถ้าเขาบอกมาดีก็ประมาทเกิดขึ้นส่วนใหญ่แล้วพอเขาบอกดีนะเขาโอ้โหเนี่ยรับรองไปค้าขายจะอย่างนั้นอย่างนี้จะประมาทเพราะว่าไปหลงเชื่อเขาว่าสําเร็จแน่นอนทั้งๆ ท, ท, ที่ความจริงไม่รู้นะว่าจะสําเร็จหรือเปล่าเนี่ยเราจะประมาทส่วนใหญ่เพราะอันนี้จะต้องระวังเพราะจริงๆที่ตัดลอบเลยพระเจ้าดี่ท่านยืนยันเลย ถ้าคนที่ยังไม่ใช่ระดับพระอาหารหันต์หรือว่ามียานปัญญาที่จะรู้อนาคตได้เนี่ยท่านบอกไม่จริงข้าง น, นั้นนหะพวกที่พูดมานอกนั้นไม่จริงบอกจะจริงได้ต่อเมื่อเนี่ยคนอย่างพุทธเจ้าหรือคนอย่างพระอาหารหันต์ที่มีความรู้จริงในด้านในด้านนี้ในด้านอย่างรู้อนาคตถึงจะบอกความจริงกับเราได้นอกนั้นแล้วอย่าไปเชื่อ ฟังเอาไว้นะหรือไม่ต้องฟังก็ได้่แต่ถ้าฟังเอาไว้อย่าใจอย่าใจอ่อนหรือว่าอย่าประมาทอ่าตอนนี้ปากฏว่าอดีตชาติของพระวังคีสานี่ก็เลยโอ้โหยินดีพอใจมากเลยเขาที่ทำบุญทำกุศลเพราะว่าที่พูะเจ้าท่านตรัสอันเนี้ยว่าได้แน่เนี่ยหมายถึงว่ามีไหวพิปรีพานอย่างดีอย่างยอดเยี่ยมได้แน่ อันนี้เท่ากับยืนยันให้กับให้กับอดีตของพระวังกีสะว่าว่ า, วาเนี่ยถ้ามันเพียนหรือว่าหรือว่าสะสมบา ร, รมีด้านนี้ไปแล้วจะได้เป็นดั่งใจที่ปรารถนาแน่นอนคํายืนยันนี้ทําให้บอกแล้วคนเราก็เลยยิ่งโอ้โหทําดีเลยคนนีนะ้พยายามที่จะแบบว่าเออให้เป็นจริง แต่ว่าไม่รู้ว่าเมื่อไหร่เท่านั้นแหละนะถ้าสำเร็จเร็วหมายถึงว่าสั่งสมบุญมามากพอจึงถึงจุดนั้นก็ได้ทันทีแต่ถ้าสั่งสมช้าก็ไม่รู้ว่าชาติไหนอ่ะอีกกี่ชาติก็ไม่รู้แหละก็เพราะกรรมดีที่ได้สะสมไว้นั่นเองในการเกิดชาติสุดท้ายนั้นอันนี้ตัดมาเลยนะ คือไม่รู้แล้วท่านสั่งสมไม่อีกกี่ร้อยกี่พันชาติไม่รู้แหละแต่รับรองว่าไม่เร็วไม่เร็วแน่นอนนะคนเราบางทีเนี่ยมีจิตขี้โลภอยู่ตัวหนึ่งคืออยากได้อะไรเร็วๆอยากได้สมใจไวๆตรงเนี้ยทำให้คนนั้นเนี่ยจะต้องทุกข์แล้วก็ต้องผิดหวังอยู่บ่อยๆเพราะอะไรเพราะว่าใจร้อนไงอยากได้เร็วๆอยากได้เร็วๆ ทำไปทําไปเหมือนมีหลายคนนะที่มามาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมหรืออาจจะมาไม่ได้อยู่วัดหรอกแต่ว่ามาปฏิบัติธรรมนะมาวันเสาร์อาทิตย์บ้างอะไรอย่างเงี้ยมาปฏิบัติเสร็จปรากฏว่าโอ้โหนี่ก็มาแล้วครั้งดึงกันแล้วสองครั้งก็แล้วสามครั้งก็แล้วโอ้โหนี่เป็นสิบครั้งก็แล้วนะฟังเทศก็ไปตั้งเยอะแล้วแล้วก็ไปพยายามปฏิบัติภาคเพียรแล้ว โอ้ทำไมยังไม่โสดาบันสทียังไม่สกิทาณนาะเอา่อสกิทาคามีสักทีอะไรอย่างเงี้ยนะใจร้อนมากเลยนึกว่ามันง่ายนักเลยโอ้เพราะนั้นมันมันต้องจริงๆนะไม่ต้องไปขี้โลภเลยไม่ต้องไปอยากได้เลยเหมือนเอาเอาเปรียบกับคนทำมาหากินนะไปค้าขายไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครนะคอยนั่งนับแบงค์นับ สตางอยู่เรื่อยเลยนะโอ้โหวันนี้ทมไมได้แค่นี้เมื่อไหร่มันจะได้แค่นั้นทีรับรองเลยนะคุณคุณต้องทุกอยู่เรื่อยอ่ะคุณต้องทุกอยู่บ่อยเพราะว่าบางทีมันอาจจะใกล้บ้างบางทีอาจจะถึงบ้างหรือบางทีเผลอๆก็ลงมาใหม่อีกใช่ไหมมันไม่ได้ถึงง่ายๆหรอกแล้วคนเราส่วนใหญ่ไอความขี้โลดของเราเนี่ยมักจะตั้งไว้เตี้ยหรือว่าสูงมันมักจะตั้งไว้สูง มันไม่ตั้งไว้เตีย้ยๆหรอกตัวใหญ่เพราะนั้นไอ้ที่เราตั้งใบสูงเนี่ยมันโอ้โหปีนขึ้นไปมันก็ต้องยากหน่อยที่ต้องเสียเวลาต้องลําบากยากเข็นหน่อยเพราะนั้นใครเนี่ยหวังง่ายๆนะยิ่งมาปฏิบัติรรมเนี่ยมันยากยิ่งกว่าขายของนะขายของเนี่ยคุณขยันธรรมดาเนี่ยมันมันได้แล้วนะเพราะว่าไม่ต้องไปสู้อะไรกับคนอื่นเขาไม่ต้องไปสู้กับเรื่องราวอะไรที่มัน ต้องฝืนใจเราต้องอะไรตัวเองนะักนะมันยังแบบว่าขยันทำงานแล้วก็อะไรอะ่ะอย่าไปเบียดเบียนอย่าไปทำลายอย่าไปคดโกงอย่าไปกันแกล้งหรือว่าอะไรใครเขาอย่างเงี้ยนะคุณขยันไาขยันไปเถอะเดี๋ยวมันก็ได้มาขึ้นมาขึ้นเรื่อยๆอแต่ ถือศีลปฏิบัติธรรมเนี่ยมันสู้กับตัวเองมันไม่ใช่สู้กับคนอื่นกิเลสเราเนี่ยบางทีนะกิเลสโทสะก็ตามกิเลสกามก็ตามสองตัวง่ายๆเนี่ยบางทีนึกว่าโอ้มาปฏิบัติธรรมแล้วนึกว่าอุ้ยเดี๋ยวนี้ดีแล้วนะเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะแต่ไอ้ที่ไม่มีเนี่ยเราหลงคิดว่ามันมั น, ม, นมันลดลงมาได้มากแล้วเราหลงคิดเอาเอง จริงๆแล้วมันยังไม่มีคู่ซ้อมต่างหากคู่ซ้อมยังไม่เจอต่างหากเพราเจอคู่ซอ้อมเขาหน่อยบางทีโอ้โหเจอหมัดเดียหงายพึงเลยเออตอนนี้พอเรามาบางทีเรามาถือศีลมาปฏิบัติธรรมไม่ได้ชกกับใครเลยโชกลมอยู่นัๆๆ่นน่ะก็เลยนึกว่าเก่งแล้วชกลมไม่ได้ชกกับคนจริงๆเออพอคราวนี้เจอคู่ปรับเข้าไม่รู้ว่าชาติไหนต่อชาติไหนทุกคนมีทั้งนั้นนะ่ะคู่ปรับเก่านะ แล้วไม่ใช่คนเดียว น, นะเยอะแ ย, ยะไปหมดแหละเราไปทำให้ใครปิดป้องหมองใจหรือทำให้ใครทั้งรักทั้งชังเนี่ยเยอะแ ย, ยะไปหมดเพราะนั้นพอเจอเขาจริงจริงโอ้โหคราวเนี้บางคนน้อยใจเลยนะเสียใจตัวเองว่าโอ้โหนี่ฟังทำมาตั้งเป็นห้าปีเป็นสิปีพยายามปฏิบัติแล้วทำไมทำไมยังแพ้ อ, อีกทาไมยัง สู้ไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยนะนั่นแหละพอเกิดอาการน้อยใจเสียใจขึ้นมาบางทีไม่อยากปฏิบัติต่อละแล้วเป็นบ่อยด้วยนะถ้าใครเนี่ยไม่ระวังจิตให้ดีจะเป็นบ่อยมันจะน้อยใจตัวเองนะรู้สึกว่าโอ้โหนี่ฟังทำมาตั้งเยอะแล้วปฏิบัติมาตั้งมากแล้วทาไมไอ้แค่นี้ทาไมเรายังผ่านไม่ได้อีก คือพอไปเจอของจริงเขานะเจอบอกล้าเจอคู่ปรับเขาว่ามันผ่านไม่ได้มันเกิดพ่ายแพ้มาน้อยใจเสียใจนะแล้วไม่ทันระวังจิตตัวเองเนี่ยมันโหดหูหอเหี่ยวเนี่ยหายต๋อมไปไหนเลยไม่รู้ทันทีเลยจะเป็นอย่างเงี้ยบ่อยจะเป็นคนปฏิบัติมาวัดไม่นานก็ตามนะก็เกิดอาการนี้ได้แต่ใหม่ๆบางทียังไม่ทันเกิดหรอกเพราะว่ามันมีปิติมีความ อะไรแปลกใหม่มีความยินดีพอใจได้ง่ายยกเว้นมาคนมาแล้วยังไม่ทันตั้งตัวโดนหมัดตรงเลยนะหรือเดินสอยดาวก็ได้นะปากรว่าโอ้โหยังไม่ทันตั้งตัวโดนเข้าไปนี่กระเด็นเลยน็อกเลยทันทีแต่แต่ส่วนใหญ่บอกว่าคนใหม่เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเจอไอ้นังกรดีเจอไอ้นี่ก็ดีอะ เันเขาจะรู้สึกดีเนี่ยมันจะมากกว่าถึงจะเจอไม่ดีบ้างก็ไม่ไม่เท่ากับที่เราเจอดีกว่าแต่คนอยู่นานใบนานไปเนี่ยยิ่งนานวันยิ่งนานวันไอปิติที่มาอยู่วัดได้แล้วหรือว่ากินข้าวลดมือลงมาได้แล้ว เ, เสื้อผ้าก็ใช้ได้น้อยชุดลงมาแล้วน่าอะไรอะไรก็ชักจะทําได้ทําได้เนี่ย แต่พอเจอเนี่ยอุปสรรคเจอปัญหาเข้าไปตุ้มโอ้โหทำไมเราถึงได้อะไรอ่อนแอทำไมเราถึงสู้ไม่ได้อย่างนี้จะทำต่อไปทำไมส่วนใหญ่เนี่ยจะเกิดสภาวะอย่างเงี้ยทิ้งเลยถ้าไม่ไม่ทิ้งวัดก็ถ้าไมทิ้งวัดนะก็ทิ้งงาน เนี่ยมันอยู่ที่ความแรงว่าแรงขนาดไหนแรงมากนี่นะมันทิ้งที่อยู่อาศัยเลยเปลี่ยนที่อยู่เลยอันนี้แรงมากคือคือทนไม่ไหวเลยที่จะอยู่ที่นั่นต่อไปแต่ถ้าไม่แรงขนาดนี้อาจจะแค่ทิ้งงานคือไองานตรงนี้ต้องทำแล้วต้องเจอไอคนเนี้ยเราไม่เอาไม่อยากเจอเลยนะมันท้อแทมันหอเหี่ยวหรือว่ามันมันรู้สึกว่ามันอะไรอะ่ะมีแต่แพ เพราะฉะนั้นมันจะทิ้งงานตรงนั้นเลยไปหาจุดอื่นทําแทนอาจจะยังอยู่ในบริเวณนั้นนะแต่ว่าต้องออกจากสถานที่นั้นเลยนั่นแหละหรือบางคนถ้าถ้าเบาลงมาหน่อยสภาวะจิตดีกว่านี้ไม่ถึงทิ้งงานะแต่ว่าเอาเรียกเรียกว่าอะไรทิ้งคอนก <laughs> ว้างค้อนไม่ใช่ทิ้งคอนก <laughs> ว้างคอนใส่ <laughs> นะบางทีก็โอ้โหใช้สายต า, าใช้สายตาใช้คำพูดใช้อะไรโครมก็ให้โครมก็ให้นะใหเสร็จแล้วก็เลยแบบว่า<อ>ได้ได้ระบายออกอะ่ะได้ตูมตามออกไปแล้วก็เออค่อยค่อยยังชั่วนะแล้วก็สบายใจถ้าเป็นผู้หญิงก็ชอบหนีไปร้องไห้ในห้องน้ำนะโครมเลยเพราะโกรธก็มี โคลงเลยเพราะโอ้โหไม่ไว้เ ร, าร่าขวดกูหอเหอียวเบื่อเซง็งหรือว่าน้อยอกน้อยใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไปร้องไห้อะไรเงี้ยมีทั้งนั้นเลยยิ่งมาปฏิบัติธรรมในสายอาโศกเรานะมันมันเราอาศัยผัสสะเป็นปัจจัยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเจอพอเจอไปแล้วเนี่ยใครไม่ทันระวังจิตใจตัวเองนะโอ้ไม่ทันตั้งรับจริงๆเล ย, จ เ, ลยเจอเข้าไปนี่ ทันทีเลยวันอย่าใจร้อนอธิการท่เตือนมาอย่าใจร้อนอย่ารีบร้อนไม่ใช่แค่คารวาะนะนักบวชก็นักบวชเถอะถ้าไม่ทันระวังจิตใจเนี่ยเกิดน้อยใจหอ่อเหยียวใจเสียใจหรือว่าเครืองขุนใจอะไรขึ้นมานะเป็นไปได้ทั้งนั้นเลยซึกได้ทันทีเหมือนกันเป็นไปได้ทั้งนั้นอะ่ะถ้าไม่ไม่ทันระวังจิตอ่ะ ต่อคราวนี้คือครา น, นี้มาพูดถึงชาติสุดท้ายแล้วนะเนี่ยการเกิดชาติสุดท้ายของของพระวังคีสะเนี่ยนะก็เลยสะสมบุญบา ร, รมีไว้แล้วนี่จนกระทั่งได้มาเกิดที่นครสาวัตถีของแคว้นโกศลในสกุลปริยภาชกไม่รู้เข้าใจคำว่าปริยภาชกไหมเป็นนักบวชพวกหนึง่ง นะของของทางอินเดียเขาโบราณมาแล้วเขาเรียกปริญญาชกพวกเนี้มักจะเป็นพวกที่อะไรอ่ะชอบคือคือคือฝึกเรื่องปัญญาเรื่องไหวพริบเรื่องปฏิภัณธ์อะไรพวกเนี้มากเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยจะเที่ยวแบบว่าไปที่ต่างๆแล้วก็โต้ตอบหรือว่าเขาเรียกว่าปรับประวาตินะใช้คําพูดเนี่ยสู้กันในเชิงไหวพริบในเชิง อะไรอ่ะใครฉลาดกว่าใครใครเก่งกว่าใครอะไรอย่างเงี้ยสามารถที่จะกำหลาบคนทั้งคนนี้เขาได้เนี่ยพวกพวกนักบวชพวกเนี้ยเขาเรียกพวกปริยภาชกเสร็จแล้วก็วังคีสานี่ก็เกิดในวังคชนบทจึงได้ชื่อว่าวังคีสานะเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อวังคีสะมาจากชื่อของชนบทนั้นนั่นเองเพียงแค่อายุได้เจขวบ ก็เป็นผู้รู้พระเวททุกคมพีดูนะนี่แค่อายุเจ็ดขวบนะสามารถที่จะโอ้โหเรียนรู้วิชาการอะไรต่างๆของตามลทัทธิของเขาอนะี่บอกเรียนรู้ได้แตกฉานหมดเลยแค่อายุเจ็ขวบนี่แสดงให้เห็นเห็นไหมอันนี้ก็แสดงให้เห็นถึงการสั่งสมบา ร, รมีเรื่องไหวพิปฏิภานว่าสั่งสมมาเรียกว่าโอ้โหมากเลยทีเดียวนะ เพันพอมาชาติตุด้านี่แค่เจ็ดขวบเนี่ยโหสามารถเรียนรู้อะไรได้อย่างเฉลียวฉลาดเลยนะทุกคำภี์ของลทัทีของเขานี่เรียนได้หมดเลยแก้วกล้าในวาทศาสาตร์รู้ไหมแก้วกล้าในวาทศาสาตร์วาทะคื อ, อ, อคําพูดนะศาสตร์ก็คือวิชาอะไรพวกนี้ก็เรียกว่าศาสตร์ต่างๆเพราะฉะนั้นวาทศาสาตร์ก็คือเก่งมีศิลปะในการนะในการพูดจาเนี่ยอย่างมากเลย มีเสียงไพเราะมีถ้อยคำอันวิจิตรสามารถย่ำยีวาทะของผู้อื่นได้แค่เจ็ดขวบโอ้โหเก่งมากเลยเนียกว่าใครจะมาคุยด้วยเนี่ยรับรองเลยนะไม่มีใครที่จะแบบว่าสามารถจะโต้อตอบกันได้คือพูดง่ายว่าคุยสู้ไม่ได้เนะเรียกว่าบางขีสารี่เก่งกว่าอะไรนะ เสามารถที่จะล้มคู่ต่อสู้ได้ <c oughs> ด้วยวาทะด้วยคําพูดเมื Me ่อเป็นเช่นนี้จึงมัวเมาในวาทะเป็นเลิศของตนท่องเที่ยวไปในที่ต่างๆจากบ้านสู่บ้านจากเมืองสู่เมืองโต้อตอบวาทะกับใครๆจนเป็นที่เลื่อมใส Simpson ของมหาชนเป็นอันมากพูดง่ายว่าก็เจริญเติบโตไปเรื่อยๆนะแล้วก็ เก่งเนี่ยเพื่อนก็เดินทางไปเรื่อยๆด้วยไปถึงเมืองไหนไปถึงบ้านไหนก็ไปขอคุยกับเขาอ่ะรู้ว่าอ่สมมติว่าไปถึงหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้ใครเก่งที่สุดอ่ก็ไปเลยสมัยก่อนรู้ไหมเขาท่าประลองกันยังไงสมัยก่อนเขาจะเอากิ่งไม้เนี่ยไปปักปักนะเป็นการท่าประลองว่าเนี่ยท่าประลองกั น, น, กนในเรื่องของ ไว้พิบสติปัญญาถ้าใครแพ้ก็เหงื่อออกรักแร้โตไม่ได้เนี่ยเขนั้นพะไตรปิฎกเนี่ยชอบบอกว่าเพราโตไม่ได้สู้ไม่ได้เนี่ยโอ้โหเหงื่อออกรักแร้เลยแต่ว่าแพ้และอ่าต้นนี้เนี่ยก็เดินทางไปเรื่อยนะก็เรียกว่าโอ้โหไปถึงที่ไหนก็ชนะเขาชนะเข้าชนะเขาเพราะนั้นในที่สุดก็เลยหาคู่ต่อสู้ได้ยากเต้